หน่วยการเรียนรู้ที่4ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนความหมายของผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความสามารถของนักเรียนในด้านสติปัญญาอันเป็นผลจากกิจกรรมการเรียนซึ่งจำแนกได้สีระดับได้แก่ 1. ความรู้ความจำด้านการคำนวณ 2. ความเข้าใจ 3. าการนาไปใช้ 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีต่อผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีสองส่วนคือปัจจัยทางตรงคือตัวนักเรียนไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาสุขภาพร่างกายความสนใจและเจตคติต่อการเรียนส่วนปัจจัยทางอ้อมคือครอบครัวสภาพการเรียนสังคมวัฒนธรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนครูสื่อการสอนวิธีการสอนของครูและรวมถึงการสอนของครู